หูกะพระธรรมวิญญาณจมูกก็พระธรรมวิญญาณเลิ่อนก็พระธรรมวิญญาณตาก็พระธรรมวิญญาณใจก็พระธรรมใจนั้นละใจนี้เป็นพระธรรมธรรมดูก็ใจของเรานี่ยละถ้าธรรมไม่ดูกัใจของเรานี่ยละไอ้ใจของเราเนี่ยณะมันเึ็นบาป ฆ่าคนก็ได้ฆ่าควายก็ได้คณะมันเตงบุญเอาถึงเอาทมคำส่งเสรก็ได้ก็พอทมก็ทื่ใจไม่มีตามไปตามไบลานดอกเขียนไม่ตามไปตามมันตัวลืมให้เขียนลนที่กายก็ใจของเราอันนี้ละจังหวธรรมุอจาเรืองนานลจจะท่านทั้งหลายสงฆ์สาวินัย โูรักษาสิ่งห้าก็พุทธะดนในรักษาสิ่งแปดก็พุทธะินในรักษาสิงสุดก็พุทธะินในรักษาสิ่สมอยู่สุดสุดก็พุพระดีในสิ่งห้าก็พระติเจ้าเทวดาสิ่งแปดก็พระองค์เทว้าสิ่งสุดก็พระองค์เทวดาสิ่งสมอยู่สุดจุดก็พระองค์เทว้ เรียกว่าสีล่าพุสมาธิสมาธิคือใจของเ่าที่ตั้งอยู่ในศีลห้าตั้งอยู่ในศีลแปดตั้งอยู่ในศีลสิบตั้งถึงสองร้อยย่สิเจ็ดถึงห้าป็นเข้าถึนแปดเปนไปถึงเจ็เป็นไปถึงสงรอยย่ทิ่เจ็ดเป็นไปถิงห้านะตั้งเปียกเหมือนเขนมดิมนถึงแปด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 เอาใจรลกักทรัพย์เดี๋อถึงเดี๋ยวทำเอาใจไปประพทศในกามเหนือหักเรื่องเจ้ากรุนักเรื่องปัญหาเอาใจทับปลื้ทมที่ปกด่วงไข่จะหนักถเอาใจจะเสพที่ า, ากระยาพิมหนักเรื่งที่เมาการฆ่าทรัพย์พอพูดธห้เจ้าจะมาจะตามบุ ม, มาก็ตามโลกเขาฆ่าอยู่การรักทรัพย์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 วีรมนีตายกับใจในขัตต์พระพุทโธอยู่นี่วีรมณีตายกับใจในรัตต์พระพุทโธอยูน่นี่อยู่ที่ใจของเราในี่วีรมณีออกบวชรับศึงห้าถึแปดพระพุทโธเกิดจะกหัวใจวีรมนีไม่กล่าวมุสาวาพระพุทโธเกิดจะกหัวใจไม่เส็จที่ลาคช า, ายาติพระพุทโธเกิดใจ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 กิเลสเป็นเจะขาดสดาันดานจะ็นเจ้าเท่นอุปทานเข้ า, า, ายุทานได้มันเป็นมาอย่างนี้เ <c oughs> จ้าเล่เทศเป็นพุทธคุณขาดข่าวว่าพุทธา น, รรนาาใสติอะไรเรียกพระผู้เจ้ากายก้าใจเป็นพระพุู้เจ้าพธรรมมานนสติอะไรเรียกมาทำกายก้าใจเป็นสัทธามจั่งขานใสติอะไรเรียกมาสง่์ กายกับใจเป็นประสงค์ลงมาที่หัวใจของเราในลาการพวดพาหนสติพระพุทธเจ้าเอาขันห้าของตาของใหญ่เึ็พระพุทธเจ้าธรมมาใุสติเอาขันห้าของตาของใหญ่เป็นพระธรรมเจ้าชัางคานุสติเอาขันห้าของตาของใหญ่เป็นพระธรรมเจ้าได้เพื่อพุทธศาสนา การที่เอาขันห้าที่สูเจ้าท่านเอาอย่างไ ร, รอ่ะท่านเอามาพื้นายทั้งใจน่ะโลกขันเป็นพุทธีหนึ่งเวทนาขันเป็นพุทธีสองั้งญาขันเป็นพุทธีสามังขันขันเป็นพุทธีสี่ดวงญาขันเป็นพุทธีห5ทั้งห้านี้ลหะ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 ถ้าพระองค์พรากายกับใจเสดกรรมนักเรีนเจ้าทู้นักเรมสัหาเขาลังเสียทุบางถ้าพระองค์ผ่ากายกับใจสับปริดที่์ปดบวกสามเพลิถ้าพระองค์ผ่ากายกับใจเสดที่วารทศเจ้าิ่นนักเรีนที่มเามาเมรัมณีตายกับใจบในพระสัตว์เลี้กงพโเมรัมณี กายกับใจไม่รักทัพเรียกพุทโธเรื่องมีกากับใจไม่มีโธมีเมียเรียกพุทโธเรื่องีกากับใจไม่กามุสาวาเรียกพุทโธเรื่องีกากับใจไม่จินตวเรียกพุทโธมียพทโธพุทายในพุทธายนอกพุทายในเ็กกใจคือบริ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 ทั้งภพใจใจเป็นเพื aurus, basis, away, back, ่อพุทธใจเป็นเพื่อธรรมใจเป็นเพื่อสงฆ์อันนี้หละรื่พุภายทนพุทภายนอกพุโคกอหูทำโมกอหูทั้งโคกอหูหูเป็นเพื่อพุทธหูเป็นเพื่อธรรมหูเป็นเพื่อสงฆ์หาหูหลวเสียพุทธหูไม่มีพุทธ หูกระซาวหูกระส่าหูมอกหางหูปุ่งตีหูมีพุทธได้แก่หูมนุษย์เราท่านทั้งหลายผู้ถือพุทธศาสนาพุทในกุศลใจของเราทุกข์นอกกับหูนี่เป็นองค์ที่สององค์ที่สามพวกภายในใจบริสุทธิ์เงียบใจเมตตาผลบริหาน ฐานที่ทวางใจได้เกิดพระเมตตาคุณสองใจมีกุณาผลหารฐานที่ควาใจได้เกิดพระปุรณาคุณสามใจมีโมทุตรามลหารฐานที่ควาใจได้เกิดพระมุตาคุณส่ใจมีอุเบกขามยหารฐานที่สาใจได้เกิดพระอุเขาคุณ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 พายนอกก็ปากอัญญามานาันญาปาจอยูเปล่นคู่กันออกสัก็ไม่ได้ได้เสอว่าพุทธาใิสัติสักติตาลูจากโลกสักติหูลูจากเสียงสักติจูกลู ก, ก, กลิกกนสักติลิูวลดสักติกายร้อนหนาวร้อนนักก็ไม่สมบายหนาวนักก็ไม่สมบาย ร้อนโอดูสน่า ม, มาถึมาป่าติประทาซาชากาตือตกอยู่ในร้อนไม่ที่ร้อนเป็นลมตกอยู่ในน้ำไม่ทีน่น้เป็นลมเวลาเรื่อขันห้าของเราร้อนเราจเอาร้อนมาสีดใจข้ามันหนาวเราจะเอาหนาวมาสีใจร้อนให้เป็นธาตุไฟของชนิดามรรดาให้สลาโอ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 สั้นโคเหมือนกับข้าวทุบเป็นกิริยาย่อเข้ามะพร้าวลูกเดียวนะี่ละพุทโคเหมือนเตี๋ยวมะพ้าวธท ม, มโกมาาคกะลามะพร้าวสั้นโคชิ้นมะพร้าวเมือ่อจิตของเราตังมม้งพุทธโคทมโมสั้นโคอยู่นั้นทึ่ น, น, นี่ผมคาถาว่าอาชาปุลีสังบุคลานิ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 พอนี้จะเตืนหน่อยนะถ้าสูดามักตัวฐานะปริีตป็นมักถ้าสูดามักตัวศีระปริปีติ็นมักถ้าสูดามักเนธมปะปรินีเป็นมักถ้าสูดามั ก, กปัญญาปรินีติมักทงแล้วได้ผลประโยช รักษาลูนยนห้าแล้วได้ผลผลมนตรธรรมะบวชกายกัปใจได้ผลปัญญาปะลามือความรูดสส้ดีรู้ซึ่งผลเหิดนั่นผู้ตั้งยินิทานนี่ละสูดามะสุเดผลผู้ตั้งยูศูนหา้ากับสูดามะสุเดผลผู้ตั้งยูศูกับสูรามะสุเดผลผู้ตั้งศูนย์ศึกกับสูรามะสุเดผล โทษตั้งศูนทั้งอยู่ที่เจิดกับโซดมักสุรศงนี่สามพระโสดถ้าปลมัดใจฆ่าคนไม่ใช่โซดาใจนรกใจรักชาิไม่ใช่โซดาใจนรกใจสุดท้มไม่ใช่โซดาใจนรกใจที่บอกมันใจนรกใจที่เรามันใจนรกจะตู้ฮักกันยึดอบายกระพตี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 ข่าปลามักตาไม่ข่าสัตว์หูไม่ข่าสัตว์ดันไม่ข่าสัตว์ปากไม่ข่าสัตว์กายไม่ข่ากายไม่ข้าสัตว์โโค่นี่ตาไม่รักหูไม่รักจมูกไม่ักปากไม่ักกายไม่รักไม่รักั์โคดโคนี่ตาออกบวมไม่้วพูเหียหูออกบวมไม่น้วพูเีย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 ตาตาจะมรรมใจนี่เนื้อละจะทำขึ้นใจน่ะถ้าสงเล่าก็สะสมเลชนะก็ระสมชนะก็ระสมทั้งขามก็สะสมดวงเงาตาก็สะสมจะไปที่ไหนก็อาแต่งเงาตาคือสงน่ะดวงเงาหูก็สะสมดวงเงาจมูกก็สะสมดวงเงาตาก็สะส์ ด้นแสบตดนนั ang, ่งพุตกใจดวงเดียวมะท่าธรรมนติตลอใจดวงเดียวมีละท่าสัาตลอใจดวงเดียวีละธรรมะาสตัว่นะเสังลกบาสมุสุเสังเสังโลกกอตายทนากอตายันากอตาย จังขำก็ตายร่างก็ตายตาก็ตายหัก็ตายหลังก็ตายตาต่อตายหัใจก็แตกใจไม่แตกหรอกมันตกไหนใจอ่ะข้าใจมีพุกโธเลี้ยงสู่ธรมะสุขตโพใจมีธรรมโเลื่องเศรรรมะทิ ใจมีเชิงโคหานาคา ม, มักนเฝน้าโสดามากนนักมีเสน่หเรตกเป็นฌานที่หนึ่งนิจานเป็ฌานที่สองสุสที่สามโชคสอีกตาห้าอันนี้ว่โทโธเป็นมักโทษโธเป็นฝนภาโสดามักกับโทโธเป็นมักภาโสดาฝนก็โทเป็นผล สัตว์แต่ฆามีการสืบทารเป็นการที่หนึ่งอเตอที่กะเตตาที่สมทำโมเป็นมัดทำโมเป็นผลพระนาคามัดมีทางสามซื้อจือเป็นชาที่หนึ่งชกที่สองแตตาที่สทั้งโคเป็นมัดังคมผลเึงอริยาบุคคลมีเศษเจรพระอรหันต์ท่านมีพระโถทำโมทั้งโครด้ โอเป็นก no ิจงานโอเพ้นมอุปทานนั่งอยู่ในนิพพานนอนอยู่ในนิพพานนิพพานในใจในใจเมื่อถอมอุปทานในใจเป็นนิพพานเมื่อนอาวัชร์จึงไม่มีพระเถรสมทั้งโค่กพอแล้วโอเป็นกิจงานเผอจากโูกเผอจากลธนาเผอจากลัทธนาเผอจากขานเผยจากวิจงานเป็นพระนิพพานเมื่อเป็นพริพพานเน่ะ ชาติธมูชาติเกิดของจกิดไม่มีชลาธมูไม่มีแกพยาติความเิดไม่มีมรณนะความตายไม่มีตัวตายมีตัวขันห้าตัวไม่ตายตัวเิตตัววิ่งาแงก็ตัวตายนี่แหละตัวเต้ขั้นลูกปลาสมุทรโศกเถินจุกเถินจุกแล้วเข้าไม่กินนั่งไม่กินย่าไม่โตกแม่ไม่เชื่อนอนเผออ โกหลางเขาก็มัดเื้อมาดตนว่าคนตาคนยายไปไหว้พระเกลี้ยืย่อมิล่มันเลยเกลีมาจเจอเสือเดเถไม่ต้องพูดเขาให้ตุม่มเหนือหูดูแลงตาไว้ใต้คนเท่าข้าวมัวนรกใต้คนเท่าข่าสวรรค์เขาให้เหงีงให้ยันน้ำตาไม่มีเขาก็อน้ำลายใส่เอากาที่ตค้คนเท่าข้านรก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 พระคนเผ่าของเราถือพุทธศาสนาถืนะมาแต่ปู่เจ ต, ตาสมุนโถสมนุนละลูกคือพระเจ้าโคมากมาพากันม า, กกพ า, กกนมาเพราะคนตาคนใหญ่หนังเป็นเชิเมื่อตาแล้วก็ยังเป็นเชิดอยู่ลกูกคือพระเจ้ามาพา ก, กันมาสารพอนะอามิจาวาจารันาลาอุปาทะว่างหนธมินู อุปเชตวาหนุรุษัรรสูงสสังลปลาสมุสุโคตาวะด้วยมิเตศน์ขันคลาอันวัาขันคันทั้งหลายอันสืบมาเป็นยุนก็นด้เป็นชายก็ดีไม่มั่นไม่เที่ยงเลืความเหงียงไปมาสังเชลยขันสารติเวียนตายเลี้ยนสืดเลี้ยนเกิดเลียนตายไม่มีที่สุดตาจากมานุษย์ ก็ไปบังเกิอเป็นเทวดาเสมอมจากเทวดาก็มาเป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์ก็ไปเป็นพทะอ่นเทรอเสมจากพระอื่นก็มาเป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์ก็ไปเป็ น, ททนเทพธมเสมอมจากธมลมมาเป็นมนุษย์ยังไม่ตายเป็นแสงพุทธวัตรอาณาคารมาขผลซึ่งชื่อมาโชนกับเขาดิพยาน ไม น, นำมุหันว่าอามิสาวะจะสัางข้าวตูปาตชวาจะท ม, มินูแต่เกิดขึ้นทุกทุกสิ่ก็มีแปดทุกสิกงเมเนี่ยมีโลกทำสิ่ก็ดับไปหายไปขึ้นไปคนเก่าตายไปคนใหม่เกิดขึ้นคนเก่าก็พวกเรานี่ยคไม่วันเนี่ยแต่วันทุก คนเก่าอายเนิงไงเขาเกิดใหม่เติมตึงเทิดไงซิไปที่ไหนไปสวรรค์ก็ได้ไปพ้นอาลก็ได้เมตตาก็ได้ตามไปสวรรค์น่ะทานตะละมีทานต้นมักทานต้นผลถึงตุนมักถุนตุนผลธรรมะตุนมักธรรมะตุนผลเติมเทิดายเติก็ไปสวรรค์ไปพ้ะอาลกเมตตาพลเมหังเป็นทานเท่าน่ง ก็เลยมาพนหารจึงานที่สองโยสทาพริหัรจึงทานที่สามอุเตขาพริหารจึงทานที่สี่ไปนิทานน่ะนาวโรกุตระพัมมาหนูพาดนะคำโตปะการมีนิทานจะไปจะบเต้สร้างลูปาสมุทรโคถึงสุดไฟเผาสเปนเท่ามีาว่าปัญจคันชาสันห้าของหู เราจะเข้าใจว่าเป็นนของเราเนาะรวมสมบัติของตาของยายไว้จากเพิ่งยังดูอะไรดูตาของเราทุกคนโชว์ซึ่งดูหูของเราทุกคนขานึงดูจมูกดูฟื้ดูเล่นตาหนึ่งดูไตแม่หนึ่งดูบริเวณนี้เพิ่งยังพระมดามาไหนหรอกมนดาก็ตายแล้ว เพื illas, Finnish, no ่อเส้ิ la, ่งที nice ่บิดาท่านให้บิดาท่านตายแล้วพ้อนั้นลอนี้บิดาแดาตายทุกอย่างตายลูตายใจจะเทดายดลูโคตรโธ่โธใจของเราโค้รจากโูปเรือนนตายเป็นอาการของเรืนาโคโธตายของเราโธ่แล้วสั้นยามันตายเป็นอาการของสั้นยาโคตโธ่ใจ โคกมันเป็นหลับเป็นข้างมันโคเขาจะเป็นแค่มันเห้าหนังเท้านาป่าตุ้งยาตากระเล่นก็เป็นนักเป็นไอไอเงม้นึกอเงีมาเอ้ยพักคือาหลังเอ๋อโถนั่งไอนันเออาณาปามัดลมพลาใส่่องแล้วก็ตายซึ่งานกายได้เอาอะไรแต่ได้โลกขันก็ไปไม่ได้เวชนะขันก็เอาไม่ได้ขันอางก็เไม่ได้ ฟังคมก็ไม่ได้วิ่งงานก็ไม่ได้เมื่อทานห้าของเราไม่แตกดับเนี่นะจงทำบาลามีให้เป็นผู้ภาณะบอลามีจงภากันทำทานเสราา ร, ระบาลามีจงรักษาสื่อ ท, ที่รักษาใจของเราเนี่ยธรรมบลามีจงเสดพราทำพระโพธท์โยู่ที่ใจของข้ า, า, ร า, า, าพระธรรมโอยู่ที่ใจของข้าพระท่านคงใจ ข, ข้ า, า, นนขาเอรีบาลา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 สร้างวัฒนว่าบทฤหัชลาเ ล, ลาบบา่น้านทศศารทบอกก่อถนนทำมิตทานเราเป็นพูดทำจะเป็ู้ได้ทำบุญตักบาตรยากน้ำทำเท่าศาสนาเมื่อเราัำแล้วตาวะตาวะเหมือนเงาที่ตามตัวธรรมดาเงานั่งเราตองเงาก่นั่นเราออนอนเงาก่นอนพอเราไปไหนเงาก็ไปมื่ะใจของเรา ได้ตั้งฐานะปาลเมฆใจเป็นพระธรรมทานเอระปาลเมฆใจเป็นภูมิสมนธรรมะบาลเมฆใจมีธรรมหาการโยโยอาการขันมันแตกดับไปโลกมันตายเป้นอาการของโลกฤทนาตายเป็นอาการของิทนาสัญญาตายเปอาการของสัญญาสังขารตายเป็นอาการของสั น, านขารดวงวิญตายเป็อาการของนิยาหยาไปเชียวก็มัน เมื่อมีเงินมีทองเข้าของถึงนมุดเอาไปก็ม่ได้เพราตายแบนเงินไปไม่ได้เมื่อตายแล้วละเงินละทองไว้ลูกหลานเขาก็รวยไม่ต้อมแซงเงินทองเลยอักย่าง์ใจหนูร่างกายที่เราเป็นไม่ได้ศรษอหัวงอเึ่นันก็เทิมดเอาไปก็ไม่ได้ลมมานเชื่อนทังก็เท่งเอาไปก็บม่ได้หน้ขอเลบเลละมือก็เทิ่เอาไปก็ไม่ได้ ดันตาขกกรแมาคำน้ำเพริศฮคขึ้นมุดไปก็ไปได้ตาโตหนังก็หึงมังสามชืนก็ชื่นฮัลุเอ็นแขนเอ็นขาเพิ่มหมดอัพชตันกระดูกเทิ่ะดูกขาเทเกากระตาเตมโดนขึ้นมดขับออกไปตาคำนับมือเขาก็ชื่นหูคำนับฟังเสียงก็ชื่นรู้ดังชอบเดําชื่ก็ชื่นเล่นฉุกเก็ชื่อะไรล่ะมันตาย โลกมันตายเวิทนา ม, มันตายขันยงมันตายตัง้งฐานมันตายขันยงมันตายโคโบตายแตาย่ือใจนะโให้สดใจพเรานี่ยอยู่ในพระามให้สดนพระธรรมตั้งโคสดใจข้าวเป็นพระสงฆ์นะแต่ว่านกหนึงทองนะนลกหนึ่งท อ, นะองจะบินแต่ได้ก็อาศัยสนเสขตั้งฐาน หากนกเงือทองขอกขนสุกหนังบินไม่ได้ใจบม่มีโชคโขจไปสวรรค์ก็ไม่ได้ใจบม่มีธรรมโมให้หาสวรรค์ก็ไ่ได้ใจบม่มีโชคโขไม่มีเท่นั้นเลอนั่งโชคโขพุทธสิตเลนือสวรรค์โขธรรมโมธรรมจิตธรรมโขโชงโขสทั้งสิบว่า เปิดน่องในสวรรค์หกมันตายเพราอะไรยายพุดโธยายธรรมโนตาพุทโธตาธรรมโนมันตายได้ไหมนะตาพุทโธกับตาทานะตาละมีตาสีระเปะลมียายพุดโธกับยายทานะปะลมีสีระปลมีจังหวัดอานนมักอ่านจนโผลเข้เชื่อบเข้นก็ไปบางเกิดขึ้น เชิญดินจนพรมตามความเมียเข้าใจเรียกบรรลกที่นรกรับบัวเข้าพระเจ้าบัวไหว้ไปไหนบ่ได้เอื้องนั่นตั้งตั้งพระพุทธโว่าิใจของเราตั้งพัโมูที่ใจของเราพระทั้งโคทีใจของเราเมื่อใจของเราอยู่พุกตัวมูสัครเอือตั้งวาณะาช้านิิบบ่าที่ที่เกิดมาพระพุทธานา